เทศในที่ประชุมพระวันที่ที่สองกันยายนสองพัห้า้อยน้าน้าวัตาบัตากจังหวัอดอุดรธานีการปฏิบัติเฉพาะศาสนาพึงเลนดูเข็มทิดคือหลัก ตักขาตัดถ้ที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเทียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายมาจากใจของตนอย่าให้เคลื่อนคราบไปจากหลักตักขาตธรถ้ ให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของโสขัสวขาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนื่นค้า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 ญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นค่าสึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วย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 ก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูนับบัดนี้นับตั้งแต่ที่ร่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลาย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 เรียกน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกัน <c oughs> ความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้ <c oughs> เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบ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 เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็หม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อ น, น้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของหม้อ น, น้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกัน ในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศดดจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกันกบว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบินแม้แต่น้อย คือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่ว ม, วมกันด้วยความเป็นสุขนิเนืองจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจาใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุง่งดำเนินตามสัสขาตัธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่าน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 มีความเบา อ, อกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นรายใดก็าตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิจยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจาก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 เรื่องภายในของตอนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่งที่เราสอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบขอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเรา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 ใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกันกบระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกรม่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเรา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 ความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองะต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควันหรือไปก่อเรื่อง ก, กันกับความสงบที่ละเอียด โดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราในสอบสวนทบทวนดูค่าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเบี่ยงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัย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 ซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงช้าอยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนกจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบ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 เอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนพบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบ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 บางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความคำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรม ส่งไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นท่นี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัตริรายเดียวนั่นเอง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 นี่เป็นของสาคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขหนึ่งและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลลายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามให้เราพึงถือเอาผล คือความหยุดของจ่ายนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็าตามใครไม่รู้ก็าตาม สภาพนี่ต้องเป็นหลักธรรมชาติาแห่งไตรัยรักอยู่นั่นเองธรรมะตรัยรักคือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบมาเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั่นเอง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 เรื่องของนิจจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกเรื่องอนัตตก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอ น, นิจจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเหล่านี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในาธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็าตาม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 อาการแห่งอนิจจังทุกขังอาตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบคนอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิภาควิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสันาพางร่างกายของเราเราจะแยกคายในทางทุกชอบพิจารณาในทางทุกมากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณา ชอบอนัตตามากก็ให้พิจรารณาส่วนที่จริตชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมซาบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรมว่าไตรลักษณ์ทั้งสามนี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดน เป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกาหนดอันหนึ่งก็ซึมซาบถึงอันนให้รู้ได้ชัดชัดอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตร ล, ลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้งสามไตรลักษณ์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 ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี้แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉน า, าดไม่ได้มีอยู่ในที่ใไห น, ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไห น, ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายหนึ่ง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 เพราะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉล า, าดเอามีดไปฟันหินหมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉล า, าดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสีนี้ไม่สอนว่าเอามีดไปฟันหิน ไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวญธนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทธนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะเห็นนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเหลียวฉลาด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 มีการงานคือสติปัฏฐานสีเท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงทิ่นีเมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ า, าลดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราดนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่า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 เมื่อเข้าใจจนแจมแจ้งแล้วเมื่อไรนั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโพษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นค่าตสุขนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญา นี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่นี่หลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้รำ่ำได้รวยเงิน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 ไม่ได้ถือว่าเราทํางานมากหรือทํางานน้อยเรื่องของการครองที่เป็นความจําเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทําไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั่นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐานสี่คือกาเบทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามาก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 จะเป็นอารมณ์ในทางมักหรือในทางสมุทยัยก็ตาม้าจาใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเหล่านี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมักคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความลื่นเด้งบันเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทยให้เรารู้ชัดอย่างนี้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 พิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเปล่องตนข้างตน อ, กออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันกับจิตได้อาศัยกันอยู่ เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันกับจิตที่มีชีวิตยอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมากปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างทิ่แตรทำที่มีชีวิตยอยู่ที่เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณ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 เป็นเรื่องของปัญญาร้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทําให้กระเพื่อมแต่พึ่งทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอสังขาร น, นั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านเขาเรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิด ทุกเกิดเป็นเรื่องกิเล็สทัญหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมู ท, ทยัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเครื่องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขาร น, นั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมูทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่ง คือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุ ท, ทยัยสังขารฝ่ายเปืืองหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามักคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพิแพงในเรื่องอันใดให้เกิดความเฉลาดแก่ตนเองได้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 ประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเมตนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่เขาออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันหานี้แต่ได้อย่างละอย่า ง, างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิษ์พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชนานาญ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 ของอาการทั้งสี่ทั้งหานี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนที่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็ น, นำลำดับลำดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตำหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจาก เ, จาเราจะตำหนิติโทษ ของเวทนาสัญญาสังขานหมิญญ่นยาณหรือของรูปปลายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตําหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขานของตนหมิญญ่นยานของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอํานาจของปัญญาได้ลื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการลื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดู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 แล้วสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นชัสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไป ธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใด ห, หลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนี้ความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของขีดเดียร์ประเภทหนึ่งจะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นนาคเงาแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดตอก่อขแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตาหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็น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 จนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวคิดอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้ว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 สภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้ๆอันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตำตามกันไป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 คือความรู้ที่เจอเพราด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ กงก็ไม่มีอันใดที่จะตําหนิติดชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกกระฐานก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเมตนาแม่จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรถก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วทั่วไปในขอบเขตจั ก, กรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่า เป็นหลักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตอนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็น ผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทาําโลกระดาษขอบเขตจั ก, กรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายอนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นค ด, ดีคู่ความกันกับเราทั่วทั้งดินแดน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 ด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วทั่วไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกวธาธถาผูตังงนินทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับ คือตัววิชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรกัรกรักเรื่องชงัชงชังเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้น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 ปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหลที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกดิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวเนไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาหลหรือไรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตร ในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขโตข้างนอกก็เป็นสุขโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข้นตำหนิติีโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ําทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมด นี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องตน้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญา เป็นสมบัติของเราทุกๆท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณะสมบัติสาหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้าด้วยความภาคความเพียนไม่เห็นแก่ความทอแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดฉีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัสขาตธรรมการดําเนินก็ดําเนินให้ถูกหลักแห่งสวัสขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสรนทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอาการลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ไม่ีไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปติโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่ ง, นสนงสภาวธรรมที่เกิดเกิดดับดับ ให้แกบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยนี่นั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาจฐานร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตน ความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจชื่อว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนาม การตะเกียร์ตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดยาถือเป็นความลําบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมุดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้น้ำจมอยู่ในหัวใจของเราทุกเพื่อก้าวทุกเพื่อออกจากทุกทุกด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกที่พระองค์เจ้าทรงสันสน ไม่ใช่ทุกเพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกเพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกเช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายย่าพึงทราบมาสุขจะเกิดขึ้นมาล้นล้วนโดยปรา้จากเหตุผลคือการดำเนิ น, นวันนี้ได้แสดง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 ไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพทุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันทั้งห้านี้จึงจะดับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหต น, นั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสลระมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติ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 หลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้นละขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังเท่านั้